พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าตนเองไม่ดีตำหนิกระทั่งพระพุทธรูปวันนี้เป็นวันที่สิบ มิถุนายนพุทธศักราช2559เมื่อวานหลวงพ่อชันจังหันเสร็จได้ไปที่อำเภอสังคมห่างจากวัดของเราประมาณยี่สกว่ากิโลเมท่านอาจารย์เล็กเจ้าคณะอำเภอกับหลวงพ่อจันเมสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำเภอสังคมแต่นี้มันถึงชั้นที่ห้าแล้วกำลังจะมุงหลังคาชั้นลอยก็จะมีพระพุทธรูปอวาอยู่ชั้นบนสำหรับสถานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมหรือจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลพรามันมีลิฟ์ขึ้นไปแล้วก็ จะมีพระพุทธรูปเป็นสถานที่ไหวพ้พระพระปฏิบัติธรรมอยู่ที่ชั้นบนสุดเพราะว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่พระสร้างให้ควรจะมีพระพุทธปฏิมาอยู่ข้างบนอาคารเมื่อวานชาวบ้านคณะกรรมการตั้งโรงพยาบาลทั้งพี่น้องประชาชนทุกหมู่เรา ยกพระขึ้นไปไว้บนเพดานเป็นแท่นพระนะเป็นแท่นพระแล้วก็โอ้ยจอยนะข้างบนไม่ไม่ใช่เล็กๆทำเป็นซาลาขอบอาคารหลังนั้ น, นแล้วก็ผิดน้องประชาชนก็มาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเอาเคนยกขึ้นไปหลวงพ่อก็ให้พวกเรา พระสงฆ์ทั้งหลายคณะสัายาติโยมทั้งหลายสวดอิติปิโสอิติปิโสขณะที่เคลนยกขึ้นไปยกพุทธพระพุทธรูปขึ้นไปให้สวดอิติปิโสพระกวาอารังสัมมาสัมพุทโธสวะขาโตสุปฏิปนโนหโูฟั ง, ฟงๆแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหาพร้อมกันแล้วกวันนี้ ตอนเย็นวันที่สิบวันนี้ตอนเย็นตอนไ่บ่ายหลวงพ่อคงจะไปที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรของเราน่ไปงานศพหลวงปู่นหนูท่านมีอายุมากแล้วท่านมรณะภาพแต่ก็หลวงพ่อไปธุระไม่ได้ไปในงานของท่านข่าวนี้เขาก็ได้หมุนไปแสดงธรรมหลวงพ่อคงจะได้ไป ตอนเย็นวันนี้นะคงจะคงจะไปค้างที่อื่นวันวันวันนี้นะแล้วก็วันพรุ่งวันพรุ่งนี้ทางพลตรีอำนวยที่ท่านเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีที่บ้านโรงเข่งเพื่อสร้างหอพระสร้างพระนะมันยังไม่เสร็จสมภารองกอนเพื่อสร้างไปแล้วท่านกมลมรณนาผาไป ผมว่าภาพมันก็ทิ้งให้ลูกน้องลูกน้องมันก็ทําไม่เสร็จที่ดียพมเป็นโครงการของลูกพี่ใช่ไหมแต่ลูกพี่ก็จากไปแล้ ว, วก็ยังคาลาคาชังอยู่หลายปีก็เลยจะมีการทอดผ้าปา่าหาทุนเพื่อสร้างพระให้เสร็จตกแต่งให้เสร็จแล้วก็ทําที่มุมบังให้ให้พระด้วยลุงพ่อก็เห็นว่ามันเป็นของชุมชน สังคมเป็นของพุทธศาสนาหลวงพ่อก็เลยจะไปเป็นล่วงวันที่สิบเ็ดตอนเช้านะแล้วก็วันที่สิบสองวันอาทิตย์นะที่สิบสองให้พร้อมๆกันนะคณะาทายาิโยม เ, เสียโตที่มาสร้างสะพานให้กับเราเที่สร้างสะพานเขาจะมาถวายสะพานนะ ี่วัดของเราบอกกล่าวกันให้ทั่วถึงตามหมู่บ้านต่างๆในละแวกนี้ะใครจะมาร่วมสมทบมาร่วมสร้างมาร่วมถวายสะพานที่วัดของเราวันที่ส2บสองตอนเช้าเสียโตบอกว่าหน้าเขาจะรวบรวมเออแต่จะเป็นการทอดผ้าป่าด้วยเพื่อให้ทางวัดมีความจำเป็นได้ใช้จ่ายแต่ตามทมี่เจียงในวัดของเรากัน มีค่าใช้จ่ายจริงๆน่ะแต่เราจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละค่าใช้จ่ายถ้าพูดไปบ่อยก็ไม่ดีวกเวกโวยวายใช่หวงพ่อก็ไม่พูดแต่มีค่าใช้จ่ายไหมถามอย่างนั้นได้ยังไงเราไปอยู่ที่ไหนในโลกไหนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไปอยู่กรุงเทพเลยสิไปอยู่อังกฤษอังกฤษอเมริกาดูสิไปอยู่ขั้วโลกไหนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมีแต่ได้ยินแต่ว่าสวรรค์ท่านอะ <laughs> ท่าสวรรค์ระเกดก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะแต่วสวรรค์ชั้นฟ้านะ น, นั้นคือต้องใช้บุญกุศลของตัวเองจึงได้ไปต้องใช้บุญนะบุญบา ร, รมีของตนเองจึงได้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะถ้าไปสวรรค์ระเขตเนี่ยยังไงก็ต้องได้หาเงินจ่ายนี่แหละโลกนี้นมันต้องมีค่าใช้จ่ายจุยู่ทีวัดของเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายฉเฉลยก็งคงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีต้องมีแต่จะยังไง ท่านจะมาทอดผ้าป่าให้ข่าน้าข่าไฟข่าจะทาดีวิทยุข่าอะไรต่อไม่อะไรบำรงเสนาธนะจะตุบปัจจัยดูแลพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยมันมีมดข่าใช้จ่ายแต่เขาจะมาทอดผ้าป่าสาม ก, กีวันที่สิบสองนะบอกเขากล่าวกันบอกให้ทั่วถึงการปีน้องะกระเทียมทางในครัวกระเตียมพวกเอาหงอาหาร พวกเราเคยจัดนะคงจะคนคงคงจะไม่มากมาั่งอันนี้ก็บอกเตรียมพร้อมมาไว้บอกกูบ่า ย, ช, ยช่วยกันคิดนะเราจะจัดที่ไหนคงจะจัดตรงนั้ศาลานอกนะจัดศาลานอกศาลาใหญ่ศาลานอ ก, าานอกข้างนอกนั่นแนหะเป็นที่ต้อนรับคณะผ้าป่าสา ม, มาคัคคีมาจากจังหวัดขอนแก่นก็พ ร, กนกพร้อมกันก็คงจะกล่าวคำถวาย สะพานสะกอนจากนั้นก็จะได้นําคณะไปจะมีการทําพิธีไหมเอาเต็นท์เอาอะไรเอาไปกลางวัดก็ ด, ดีเหมือนกันนะที่สะพานแต่เปื่อคณะไปก็จะได้รู้ได้เห็นให้ศีลให้พอรอยู่ที่นั่นอีกสักรอบหนึ่งก็ได้หรือจะไปถวายสะพานที่ตรงนั้นก็ได้อันนี้ให้เต็นท์ให้ช่วยกันไปกลางเต็นท์ สำหรับให้คนนั่งให้พระนั่งจุดไหนช่วยๆกันคิดทะนะควรจะมีเตรียมน้ำถาอะไรไปไว้ด้วยเผื่อคนไปจะได้ดื่มน้ำดื่มน้ำ เ, เพราะอากาศคงจะร้อนนะตอนใช้สายนะอันนี้คือวันที่สนะิบสองนอะมิถุนาแตให้ดูๆแต่หลวงพ่อพูดปิดกัดบอกมาเมื่อพวกเราพวกท่านทั้หลายตรวจดูจจแล้วมันไม่ใช่วันเดือนปีของพวก ได้ยินว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็พูดแต่พวกเราไปดูๆแล้วก็ย่งคอยมาบอกหลวงพ่ออีกทีนึงหลวงพอ่อบางทีมันวันเวลาน่ยหลวงพ่อลืมลืมเรืองไปเมื่อเรือ ง, อ ง, องไปเหมือนกันนะพวกลูกหลานทาั้งหลายต้องช่วยจําต้องช่วยแนะนำไม่ใช่หลวงพ่อพูดยังไงก็จะเอาตามหลวงพ่อหมดทั้งที่เขาจะมาทอดผ้าป่าวันที่ยี่สิหลวงพอว่อบอกวันที่สิบสองกับวันที่สิบสองกับหลวงพ่อมดทา่ะ ไม่ไม่ใช่นะหลวงพ่อไม่ใช่วันที่ยี่สิบนะวันที่สิบสองนะเขาจะมาทอดนะเอก็ต้องบอกหลวงพ่อก็จะได้รู้ว่าวันไหนเป็นวันไหนเพราะหลวงพ่อไม่ได้รับรองหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะไม่ลืมหลวงพ่อจะไม่รับประกันอย่างนั้นใครจะประกาศประกันความลืมได้่ะตัวประกันมันก็จะลืมอีกนะมันลืมหลายชั้นยิ่งกว่าอะไรทุกวันเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เชื่อในความ ความความจำของหลวงพ่อนะหลวงพ่อนะใช้ความให้ลูกหลานเป็นคนจำแทนถ่าหลวงพ่อพูดไปแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องจำต้องจดกระดาษจดจำเอาไว้หลวงพ่อพอพูดไปแล้วก็จบแล้วบางครั้งวันนั้นบางทีเขากลัวเหมือนกันนะกลัวจะเสียหายงานการงานเขาที่เขามาในมณฑ์เขามาพูดเป็นตุเป็นตะเราก็รับปากรับคำที่ไหนได้ พอถึงวันเวลาจริงๆนะมันลืมอใครจะประกันประกันความลืมได้ล่ะอมันหัวสมองมันเออเลอไปหมดอล้วตอนนี้คอมพิวเตอร์ในสมองของหลวงพ่อเนี่ยมันเต็มมันเต็มข้อมูลแล้วข้อมูลมันเต็มแล้วมันเออเลแล้วเงั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่เชื่อความจําของหลวงพ่อในช่วยกันคิดนั่นนนั้นจะเกิดประโยชน์อที่เคยทํามา ถ้าสงสัยให้ถามอย่าไปทำจนเกินไปถ้าทําสิ่งที่มันเกินไปถึงหลวงพ่อไมพาทำอย่าทำออกนอกลูกนอกทางไม่ใช่แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอย่าทำแตต้องมาถามซะก่อนไม่ใช่หลวงพ่อเปิดโอกาสให้แล้ว ก, กระโดดโลดเต้นไม่ใช่นะหลวงพ่อยังมีแนวความคิดอยู่แนวไหน ปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรถึงยังไงเราก็ต้องมองแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่เราได้เรียนได้ศึกษามาท่านพาเดินมาในทางที่ถูกต้องสรุปแล้วก็คือไม่ให้ลืมตัว อ, อย่าไปวิ่งตามโลกจนเกินไปอย่าไปหลงโลกหลงทางจนเกินไปให้สัมรวมระวังให้มีสมณะสารูปให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยจะทำอะไรก็ตาม ก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางนอกจากหลักพระธรรมวินัยถ้าหากว่าเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่เราไม่เครารพหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา้าไปไว้เยียบย่ํำเราไม่น่าจะเป็นผู้เยียบย่าหลักพระธรรมวินัยเราต้องเป็นผู้เทิดทูลเชิดชูบูชาในหลักพระธรรมคําสอนตักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า กฎกติกาของพระพุทธเจ้าท่านวางท่านวางไว้อย่างไรพวกเราต้องปฏิบัติตามนั้นนี่แหละให้พกพระลูกหลานทุกองนะสรุปแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็พร้อมกันก็พระพี่เลี้ยงจะบวชวันไหนก็บอกกล่าวกันบอกหลวงพ่อด้วยหลวงบอกหลงพ่อแล้วล่ะแต่ก็บอกญาติพี่น้องพวกนาคของเราอันนี้คือหนักที่ เป็นขราชการที่ ท, ท, ท, ทําการทํางานถจะบวชหลวงพ่อก็จะรีบจัดการให้เร็วที่สุดแต่เร็วขนาดไหนก็เถอะแต่ก็ต้องท่องหนกักตายต้องให้คล่องในการท่องนาคให้ถูกต้องตามอักคระถ้าอักคระไม่ถูกเนี่ยท่านเรียกว่าอักคระวิบัตอิอัคระวิบัติพูดไม่ถูกต้องเมื่ออักคระวิบัติแล้วก็สัง่กรรมของวิบัติไปด้วยเพราะอะไรเพราพูดไม่ถูก พวัะนั้นเรื่องการบวชนะั่นก็ให้ช่วยพระพี่เลี้ยงนะกับนาคนะต้องฝึกขานนาคให้ถูกต้องเพราะหลักธรรมคําสอนไม่ใช่ของของเราอย่างที่ว่านะเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างไรเราก็ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคาสอนของพุทธะที่ท่านวางไว้นะอันนี้ก็ ก, การบวชแต่ว่าผู้ที่จะมาบวช จุดสุดท้ายก็คือจุดนั้นก็คือจุดบวชสมเดือนถ้าใครบวชสามเดือนจุด น, น, นั้นเราก็ไม่ไม่รีบละเท่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเราไม่รีบพอไรพราะว่าเราจะบวชสามเดือนเป็นฆราวาสเป็นนาค ก, ก็เดินจงก้มนั่งภาวานาได้ปฏิบัติได้เมื่อถึงคราวแล้วก็พร้อมกันจะค่อยบวช แต่พลาดในวัดของเราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ไม่รู้มากน้อยแค่ไหนแต่ถึงยังไงก็นะี่ยกฎเกณฑ์ก็ประมาณ50สิองค์นะี่ยแหละถ้าเกินกว่านั้นไปแล้วกันเราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ารับหลับหูหลั บ, ล บ, ล บ, ลบตารับแต่พึ่ตะพือก็ไม่ได้ถ้าหาว่าเรารับมากคนมากเป็นยังไงการบริหารจัดการดูแลไม่ทั่วถึงเสียหาย เหมือนกับเราทำงานทามาค้าขา ย, ยนะเนมีอะไรก็อยากจะได้เมื่อทำไปหมดผลในสุดดูแลไม่ทั่วถึงจิบหายผลในสุดเจ๊งเจ๊งทางบริษัทเพออราะอรเพราะเราดูดดควบคุมคู่คนการงานไม่ไหวดูแลไม่ไหวเกินเกินมือมือเกินขีด ความความสามารถของเราที่จะควบคุมได้นี้ก็เหมือนกันพระมันมากเกินไปเราดูแลควบคุมไม่ถึงพระเก่าดูแลไม่ถึงแล้วเขาก็โยนให้หลวงพ่อเนอ่ยพอหลวงพ่อรับเนี่ยพวกผมจะทํำยังไงดูแลไม่ไหวพระใหม่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ได้เสียหายถ้าเสียหายไม่ใช่เสียหายหลวงพ่อได้เลย ไม่ใช่เสียหายวัดเสียหายพระพุทธศาสนาเนี่ยเสียหายกฎระเบียบขาดความเชื่อถือขาดความเคารพนับถือเรื่มสของอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเข้ามาแล้วมีแต่หมัดมีแต่มวยมีแต่นักโรงนักเรงจะมากราบพระได้ยังไงกราบพระที่ปฏิบัติตนไม่ดี พระที่มาบวชก็ต้องสั่รวมกายวยจาจใให้เรียบร้อยให้สมกับเป็นพระให้ถามดูว่าสมัยข้าพระเจ้าเลยเป็นคราวาสเนี่ยถาเห็นพระอย่างเราเนทําตัวอย่างนี้ล่ะเก้เก๊กลางกลางเงือกกางงักแค่นีสูบปุหรี่เพลินเพลินผ่านยกโทรศัพท์เราเห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงในเมื่อเราเป็นฆราวาสเราเห็นพระปฏิบัติตัวอย่างนี้ เราไม่เลื่อมใสนะี่ยไม่นับถือใช่ไหมไม่น่าเคารพใช่ไหมทำตนอย่างไงเหมือนกับฆราวาสไงเนี่ ย, ยถ้าเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเมื่อเราเป็นฆราวาสเรามองอย่างนั้นในในเมื่อเราเป็นพระนะเราจะไปวางตนอย่างที่เราเป็นฆราวาสไม่เคารพนับถืออย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกนะเราก็ต้องสํำรวมกายวาจาใจของเราให้เรียบร้อย ให้เป็นให้อยู่ในสมณะสารูปในการเป็นพระของเราใครเห็นก็สบายตาสบายใจงามตาการพูดจาพาทีก็อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่าไปพูดแบบขโมงโสงเสียงนักเลงหัวไม้มันไม่โทกการอยู่ด้วยการการเป็นหมู่เป็นคณ ะ, ณะถ้ามันเสียหายมันไม่ใช่เสียหายแต่เฉพาะองค์นั้นองค์เดียว มันเสียหายทั้งวัดทั้งวาไม่ทั้งวัดทั้งวัดทั้งวงการพระพุทธศาสนาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงพวกพระลูกพระหลานทั้งหลายน ะ, ะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะ่เป็นแนวความคิดให้พวกเราคิดน ะ, ะสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่เป็นธรรมอย่าทำในสิ่งนั้นในเมื่อเราเป็นครวญเราคิดยังไงแล้วมาบวชแล้ว เราจะทำตัวเร็วๆอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่น่าจะถูกถ้านเราจะทำตัวเร็วเราอยู่ทำไมเราไปเป็นฆราวาดก็ได้เขาไม่ว่าอะไรกันทาตัวเร็วๆอย่างนั้นก็ได้แต่เมื่อเราเป็นพระเนี่ยเราต้องสารวมระวังในศีลในวิ น, นัยดูในโอวาทหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแต่ใครๆก็อยากจะเข้าไปอยู่อยากจะเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่าน มีศีลมีวินัยเคร่งครัดในกฎระเบียบพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกหลานมาอยู่ศึกษา อ, อ, อยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีกฎระเบียบมีการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอยากจะให้ลูกหลานได้รับความรู้ความฉลาดความรอบคอบ เ, อเมื่อเป็นไปเมื่อไปเป็นกระวาดแล้วก็จะได้นำทำคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติได้ศึกษา แล้วก็ได้แนวความคิดเมื่อไปไปเป็นกระวาดอันนี้คือแนวความคิดของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ตัวของท่านเองกับตัวของเราเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันต้องสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแต่พอพวกเราเข้ามาแต่ยินครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวบางทีก็เบื่อเหมือนกันนะแต่เบื่อยังไงก็เถอะเราต้องฟังพอเราเข้ามาศึกษา เราจะอยู่มากี่เราจะอยู่กี่เดือน่ะเราอดเพียงแค่นี้ไม่ได้เหรอฟังดูสิแนวความคิดที่ตะกอนเราไม่เคยคิดเป็นครวัตถ์ถ้าเราอยากไม่อยากจะฟังครูบาอาจารย์พูดนะไปจู่กับพระพุทธโลกก็ได้พระพุทธโูกอยู่ข้างนอกวัดของเรานะแต่ละวันพ <c oughs> ระพุทธโลกก็ไปกราบพระพุทธโลกพอกราบกราบไปกราบมาพระพุทธโลกไม่สอนเล ก็ บ, บอกออาพระพุทธรูปไม่สอนเราใว่าหอย่าไหวอย่างนั้นอีกเลมันไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะคนไม่ดีมันไม่ดีดีไม่ดีไม่อยู่กับเพลานะแต่เมื่อกูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกเก่าเราก็ฟังฟังฟังเหตุฟังผลมีเหตุผลไหมที่ท่านพูดให้ฟังเนี่ยที่ท่านแนะนําสั่งสอนเนี่ยนี่แหละพอเรามาหาหลักเหตุผลเราไม่ได้มาเที่ยวมาเล่นเข้ามาบวชทั้งทีทานอาหารมื้อเดียวอยีสานฮัก นอนอยู่ในป่านตรงพงไพยอีกต่างหากกุฏิอยู่องเดียวอีกต่างหากแปลว่าชีวิตเราไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเลยเราเกิดมาเราไม่เคยทําอย่างนี้อย่างที่เราบวชเป็นพระอยู่ที่วัดป่านาะคําน้อยเนี่ยเราไม่เคยทําอย่างนี้แต่มาับันนี้เรามาอยูนะ่เราเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่การเป็นอยู่ใหม่การพูดใหม่การฟังใหม่แนวความคิดของเราค ใหม่ในใจของเราเราจะคิดยังไงเราเป็นพระต่อไปนี้เราจะทำยังไงเมื่อเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เ, เราเ็มาเพื่อค้นคว้าศึกษาหาหลักเหตุผลหาหลักถูกต้องหาหลักเป็นหาหลักธรรมธรรมคือหลักเหตุผลนั่นแหละถ้าคนมีเหตุมีผลมีในจิตในใจแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกเนาะ พัหลูกพาหลานศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะถ้าออกนอกลูกนอกทางไปแล้วเนะ่ะจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะพอจิตใจมันจะออกนอกทางมันจะร้อนการคิดมันก็ร้อนการกระทำมันก็ร้อนการพูดออกไปมันก็ร้อนทำมันร้อนขึ้นมาแล้วมันจะหาความสุขได้ยังไงเพราะมันร้อนร้อนใจใจร้อนเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้นะเพราะนั้นการบูช ในพระพุทธศาสนาให้ตั้งอกตั้งใจครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรอย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจใ ห, ให้ถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเราปล่อยใจมาเนี่ย ม, มันได้อะไรมันมีประโยชน์อะไราบางคับให้ื่อมาอยู่กับตัวเองดูสิสักหนึ่งชั่วโมงมันเผลอไปดึงกลับมาอย่าให้มันปลอกไปถ้าปล่อยใจอย่างนี้เราปล่อยมาต้องนมนานแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไร ถ้ามันปล่อยใจดีเราจะมาบวชทําไมเรามาอยู่ที่นี่ก็มาเพื่อฝึกโสนสติให้อยู่กับตนเองไ ม, ม่ให้มันเผลอเอให้อยู่กับตนเองให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองคือให้ภาวนาฮะนัคือให้ภาวนาสรุปก็คือให้ให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตนเองออแลญญ้วลก็มองเห็นมองมองเหตุและผลที่เราปล่อยใจมาก่อนนั้นนั้มันดีอย่างไร แต่เราจะให้มันอยู่กับตัวเองนี่มันจะดีอย่างไรแต่ถา้าพวกเราเอาสติอยู่กับตนเองนะ่ดีแน่นอนนะรับประกันรับรองอย่างนั้นได้ถ้าปล่อยปะละเลยนะเสียอย่างมากพูดอย่างนั้นได้อีกเพราะนั้นเราต้องฝังจุดนี้เราปล่อยมาแล้วปล่อยใจมาแล้วนะเราก็เห็นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แต่บัดนี้เราบังคับให้มัน อ, อ, อยู่กับตัวเองดูสิให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองดูสิ ดึงชั่วโมงได้ไหมไม่ให้มันเผลอเนี่แหละ้ะาว่าพวกเรามีแต่เออแล้วหวยเหยอลอยลงมัวสุมคุยกันนะมันไม่สงบแล้วมีแต่มีแต่ปุงฟุ้งซ่านนะลูกหลานต้องปีกตัวอยู่ตามลำพังอยู่เงียบกำหนดภาวนาเดินจยกงกมนั่งภาวนาของใครของเรานั่นหละจะเห็นผลในจุดที่พวกเราบาเพ็ญสมาธิปัญญาของพวกเรานะต่ อ, ตอ น, นี้ไปล้พรนนนะ ประสองอนุโมทนาให้พล